หลังทำแบบหลังทำแบเย็นแลก็น้อมฟังธรรมกันนะฟังธรรมเพื่อให้เราเข้าใจว่าเราจะปฏิบัติแบบไหนหรือให้เข้าใจว่าผลในการปฏิบัติมันเป็นอย่างไรที่จิงก็ผลในการปฏิบัติน่ะที่เราจะได้เจากการปฏิบัติธรรมคล้ายๆเหมือนเราเดินทางมาที่นี่แ มันเราเดินทางมาจากจากบ้านหรือที่ทํา ง, งานของเรานะเนาะไปมาถึงที่นี่เนะี่ยต้องผ่านรติดนะหรือว่าเส้นทางจราจรที่มีรถเยอะนะหรือว่ามีความวุ่นวายของเมืองใหญ่ในกะรุงเทพนะเข้ามาในซอยก็ดีหรือว่ามาถึงที่ในโรงเรียนก็ดีกปเริ่มลนดะน้อยลง สงบมากขึ้นนะแต่ก็ยังมีเสียงเด็กนะยังมีเสียงคนเล่นกันเล่นกีฬาไปเหนื่อยอบร้องไปก็นะเป็นความวุ่นวายเล็กน้อยนะแต่พอเราขึ้นมาถึงห้องตรงนี้เนาะเสียงต่างๆก็เงียบไปความวุ่นวายข้างนอกก็กหมดไปนะแต่อาจจะมีความวุ่นวายในใจของเรานะถ้าเรายังมีความคิด มีความกังวลอยู่แต่เปียบเทรียบว่าเหมือนเหมือนการเดินทางเนาะแต่ก่อนเราจะรู้สึกว่ามันวุ่นวายเกินมันไม่สงบเกินแต่พอเราปฏิบัติทําไปเรื่อยเราก็ถึงธรรมะเรื่อยมันก็จะเด่นมันจะเข้าถึงความสงบแล้วก็เข้าถึงความไม่วุ่นวายใจหรือเข้าถึงความน้อมเย็นฝุ่ใจ มันกับเราอยู่ในห้องตรงนี้เนาะมีทั้งความเย็นที่ปอดมมมนะีมีทั้งความเงียบสงบมีั้งความเบิกบาในใจนะองจากที่ได้กวดมนต์ทำวัดได้ปฏิบัติธรรมกันอันนี้ก็คือผลในการปฏิบัตินะถ้าเราเปรียบเทียบการเดินทางมาถึงตรงนี้เนาะอันนะั้นเราวิธีการปฏิบัติธรรมเราจะทําแบบไหน เราก็ทําทําตามทางที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้นะทาที่พระพทธเจ้าท่สอนไว้ก็คือกางให้มีมีสตนะิพะพุทธเจ้าท่านบอกว่าถ้าผู้ใดนะเจริญสติปัฏฐานอย่างต่อเนื่องนะรับรองความพ้นทุกข์หรือวความที่ทุกข์น้อยลงเน่ยย่ยอมปรากฏแ น, น่นอนอันะนี้คือทางที่พระพุทธเจ้ท่าน ค, คนพบนะเรื่องการเจริญสติ เพื่อให้เกิดปัญญาเนี่ยหรืจะพูดง่ายๆก็เป็นการภาวนาก็ได้นะนัาจะทำให้เราก็ถึงความความสุขความสงบหรือความไม่วุ่นวายใจนี่เราจะเข้าถึงตรงนี้ได้แต่ถ้าเรายังวุ่นวายใจอยู่มันก็เลยเป็นทุกข์นะเหมือนในสมัยพุทธกาลมี รูปชายเศรษฐีคนหนึ่งในเมืองพาราณสีนะก็คล้ายๆเพิเหมือนเพริรมากกว่าเพ อ, อที่นี่บุบายหนอที่นี่ขัดข้องหนอเดินะ ม, มาจากพารัณสีมาถึงปาอิทธิพัณฑ์มเมริมสุทยวันก็คงเบื่อชีวิตนะชีพมันมีความสุขมีความสบายทางทางร่าง ก, กายเยอะนะเป็นรูปเศรษฐี มีภาษาต่างฤ ด, ดนะูแต่ก็ยังรู้สึกว่ามันวุ่นวายนะมีความวุ่นวายใจนะอาจจะวุ่นวายเพราะว่ามันมีมากเกินไปรใช่ป <c ười> นะมีสนมกำเงินในมากเกินไปนะอาจจะทนะเลาะเบาแบ่งกันก็น่าเบื่อเนะี๋ยวมีการงานที่ต้องดู แ, แลเยอะแยะ ก, ก็วุ่นวายไม่สงบกนะ็ต้อง ที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอาะก็เดินมาจนใกล้ๆพระพุทธเจ้าพระพุทเจ้าก็เลยเรียกตอบนะอ่าที่นี่ไม่วุ่นวายนะที่นี่ไม่ข่ดข้องโดยจนมาที่นี่มาที่นี่นมาที่ไหนมาหาพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะฟังธรรมท่านก็เลยบอกว่าที่ที่ไม่วุ่นวายที่ที่มัน ไม่ขัดข้องที่ที่มันสมงบมันมีนะอแต่ไม่ใช่สถานที่นะแต่มันคือนมันคือสภาวะนะที่มันอยู่ในใจของเราทุกคนนะี่แหละมันเป็นสภาวะที่เราสามารถเข้าถึงความไม่รื่นวายหรือความสงบใจไดนะ้เราจะเข้าถึงได้ด้วยการภาวนาเนี่แหลนะะถ้าเราภาวนาแล้วเนะี่ยเราจะเข้าถึงที่อีที่ ไม่วุ่นวายแม้เราอยู่กับโลกนะี่ที่ดูเหมือนวุ่นวายนะแต่เราก็ยังมีความสงบใจได้นะแม้เราอยู่กับการงานอยู่กับเรื่องราวในะชีวิตที่จะมีปัญหาเป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขหรือเรื่องที่มันเป็นความทุกข์ของกายแต่ผู้ที่<ต>มีปัญญานะก็ก็สามารถมีความสุขมีความสงบได้นะ นะเรามาทําตรงนี้ลองดูเนาะทําการเรียกว่าฝึกภาวนานะด้วยการเจริญสตินะนะเจริญสติเนะี่ยทําอย่างเดียวนะแต่มันสามารถเข้าถึงเข้าถึงสภาวะนะให้เกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญ ญ, ญาไดนะ้เราลองมาฝึกการเจริญสติสร้างการรู้สึกตัวนะเราจะทําอะไรก็แล้วแต่ ให้ใจเรารู้สึกนะให้ใจเรารู้สึกถึงตัวที่มันกำลังทำอะไรอยู่ตัวตัวอย่างแรกก็คือร่างกายเราให้เรากลมารู้สึกถึงร่างกายเช่นโยงกำลังนั่งนะให้เรารู้สึกถึงการนั่งนะบางคนก็ยกมือก็รู้สึกถึงการนั่งนะยกมือไปด้วยบางคนนั่งแล้วกาหนดนะ การหายใจไปด้วยก็รู้สึกถึงการนั่งแล้วก็หายใจหรือบางคนเคยกําหนดตูท้องทองยุบนะก็รู้สึกถึงการนั่งแล้วก็ท้องหายใจเข้าท้องทองหายใจออกหายใจออกท้องยุบนะก็รู้สึกแบบนี้ไปนะให้เราหยุดกลมเนื้อกวบๆหรือถ้าใครเคยภาวนาแล้วจะสังเกตไหมตอนที่เรามีความรู้สึกตัวเนี่ยะจิตมันกะหสงบ จิตมันมีเครื่องอยู่จิตมันไม่บ็อกแวกจิตมันจะตั้งมั่นขึ้นมานะมันจะรู้สึกโลกนี้ก็คล้ายๆมันมีมันมีที่อยู่มันก็ปลอดภัยจิตไม่หนีไปไหนหรือแม้แต่จิตมันหนีไปเนาะเราก็มีหลักในการกลับมาได้แล้วก็กลับมาอยู่กับกรรมฐานที่เราทาที่จริงนะกรรมฐานทำอะไรก็ได้ ถ้ามันเนื่องด้การรู้กายแล้วก็รู้ใจนะนะไม่ใช่ไปดูข้างนอกนะบางทีก็มาทานไปดูข้างนอกนะบางทีมันมันได้แค่ความสงบเฉยเนะช่นไปดูรูปแก้วนะไปดูนะดูไฟดูลม ด, ดูอะไรก็แล้วแต่นะไปดูที่เป็นกระจินเป็นนิสิต่างๆนะอันนั้นไม่ก็ไปดูข้างนอกนะมันได้แค่สมาธินะ สมาธิก็เข้าถึงแค่ความสมงบเฉยๆเข้าถึงความสงบแล้วก็ออกจากสมาธิยากนะแล้วก็อบางทีบางคนติดสมาธิติดความสงบมากก็ไม่อยากนะไม่อยากอยกออกมาจากความสงบนั้นคิดว่าความสงบนั่นแหละคือสิ่ที่อ่าเป็นที่พึ่งได้แต่จริงมันไม่ใช่ตีพึ่งจริงๆนะ คนที่มีปัญญาจะรู้ว่าไอ้ความสงบแบบแค่สมาธินะ่ะมันยังไม่ใช่ทางพ้นจากความทุกข์จริงๆแต่ในสมัยพุทธกาลก็ดีนะก็มีคนเชื่อว่าทําสมาธิมันพ้นจากความทุกข์ได้หรือแม้แต่สมัยนี้ก็ดีนะบางคนได้สมาธิจากการดูลูกแก้วก็ดีแต่สมาธิจากการอทำกระสิ่งก็ดี จะได้สมาธิจัด ก, การวาริกรรมอะไรต่ามๆก็ดีก็ไปติดแค่นั้นก็เยอะพอใจแค่นั้นก็เยอะก็เดินต่อมไม่ได้เพราะเนี้ยสอนยากเหมือนกันนะถ้าใครคติดศึกษาพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าปัญญาแรกท่านจำพรรษาที่ป่าอิสิตปัตนะมฤคทายวันตรงนั้นเป็นแหล่งชุม่มนมของฤๅษี เป็นป่าสวนกว้างยืนสีอยู่ตรงนั้นเยอะมากต้องคิดดูดิผู้พิจาร้์ท่านสอนภปจาลัทธินะก่อนที่จะเข้าภาษาแล้วในภาษานั้นทั้งสามเดือนไม่มีใครที่ท่านไม่ได้สอนใครเพิ่มอีกเลยเฉทางออกภาษ า, นะ า, า, าพระยสรกคุณบุตรค่อยมานะค่อยมาหาสามเดือนนั้นทำไมทำไมท่านไม่ได้สอนคขอื่นเลยล่ะ ทั้งที่บางทีมีฤทธิ์สีอยู่แถวๆนั้นเต็มไปหมดบางทีอาจจะเป็นเพราะฤทธสีเชื่อว่าการที่เขาทําสมาธิการที่เขาบำเพ็ญตบาเนะี่ยเป็นทางพ้นจากความอุรักเลยก็เลยไม่แวงหาแม้มีพระพุทธเจ้าอยู่ใกล้ๆนะเขาก็ไม่มาเขายัางพอใจในความสงบพอใจในการบำเพ็ญเพียรแบบเห่งเขของเขาอยู่นะก็เลยไม่สอน นั้นคนพวกนี้สอนเนี่ยครับ อ, อ, อ่าคนที่ติดความสงบนี่ย น, นะเพราะไม่ค่อยไม่ค่อยอยากจะจออกจากความสงบแต่คนสมัยนี้ก็ไม่ค่อยติดหรอกนะโดยเฉพาะพวกเรานะมันมีแต่เรื่องรุ่นวายนะอันนั้นนะเราส่วนใหญ่เราจะเป็นทางในค่อนข้า ง, างปรุงสร้างนะปรุงสร้างจิตใจวอกแวกไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนั้นเวาทําตรมฐาน นะมันก็ง่ายนะที่จริงมันง่ายก็ไม่ค่อยสงบหรอกแล้วก า, ารทำอัตฐานในวิธีการแบบหลวพ่อเทียนท่านจะใส่ว่าเอาการรู้สึกตัวกับกายจะอยากนะบางทีกายที่ละเอียดเดินไปบางทีสมาธิเราไม่พอมันดูมันดูไม่ค่อยชัดดูไม่ค่อยต่อเนื่องเก้นะดมหายใจก็ดีนะมันค่อนข้างละเอียดนะ การู้สึกตัวกับกายที่เคลื่อนไหวเนี่ยมันจะค่อนข้างหยาบนะยาบในที่นี้ไม่ใช่หยาบแบบหยาบกระด้างนะแต่มันถึงว่าหยาบถึงว่ามันมันใหญ่มันเด่นมันเคลื่อนแรงแบบนี้เนาะมันก็เลยเกิดการรู้ตัวได้ชัดนะเรายกมือน่ยมันเกิดการรู้นะรู้ที่ชัดเดินก็เหมือนกันเดินธรรมดาไม่ต้องเดินย่องย่งมันรู้ตัวได้ชัดนะรู้ตัวได้ชัด หรือเวลาง่วงนอนก็สามารถเปลี่ยนท่านะหรือทำให้เร็วขึ้นแรงขึ้นมันก็ชัดเจนขึ้นนะหรือเราลืมตาด้วยเนี่ยเ อ, อความง่วงก็เข้ามาแต่เราก็ลืมตาสู้นะก็ไม่ค่อยง่วงอนะไรอย่างเงี้ยแต่มันอาจจะอาจจะฟุ้งซ่านมากหน่อยเพราะว่าตาก็เห็นรูปหูก็เลยงเสียง น, นะหรือว่าทําก็ไม่ค่อยช้าเท่าไหร่นะ แต่เวลาทำกรรมฐานแบบเจริญสติปรรมฐานเนี่ยเราไม่กลัวความฟุ้งซ่านแต่เราเอาความฟุ้งซ่านนั่นแหละเป็นตัวให้จิตไปรู้อีกทีนึงนะอันนั้นเวลาเราจะยกมือก็ดีเราเดินก็ดีแม้บางทีมันไม่รู้ไม่รู้ตัวที่เป็นรู้กายนะแต่ถ้าเรารู้ทันจิตใจที่เราเผลอไปคิดเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะดังนั้นะการเจริญสติเนี่ย เป็นการรู้กายก็ได้หรือรู้ใจก็ได้นะอะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ติดที่ปัจจุบันที่ขณะนีนะมวันที่เราสวดเนาะถ้าผู้ใดเห็นธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าอยากก่างแจ่มแจ้งนะไม่งอนแงงคอนแคลนเขาควรพรอบครตอาอการเช่นนั้นไว้คนะำว่าไม่งอนแงนคอนแคลนเนี่ยไม่ใช่ว่าภาวรมิ่งอนแงนคอนแคลนนะ แต่มันถึงว่าจิตใจเราเนี่ย ม, ม, ม, ม, มันไม่มันไม่งอนแงนคอนแคนไปกับอารมณ์ที่เห็นเช่นบางทีใจนะมันมีความโมโหเกิดขึ้นมาสติเรารู้ตัวขึ้นมาเนี่ยใจเราไม่มองอนแงนคอนแคนไปกับอารมณ์นะตือตาเราเห็นสิ่งสวยใจเราไม่ไหลไปตามรูปที่สวยสวยหู เราได้ยินคนดีนทาว่าร้ายใจเราไม่ม้องเงี้คอนแคล น, นไปกับคําดีนทาว่าร้ายเขาอันนี้เหละคือถ้าผู้ใดเขียนทำที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าอย่างแจ่มแจ้งนะเราจะไม่ม้องเงี้คอนแคล น, นไปกับสภาวะคนนั้นไว้เนะี่ยสิ่งที่เราควรจะเลยคือสภาวะการที่จิตไม่ไหลไปกับอารมณ์ต่างๆนะีแต่ถ้าบางทีปิติเราไม่ทานเนาะใจเราเผลอ ไหลไปกับอารมณ์บ้างเราก็เรีว่ามีสติดึงมันกลับมานะสติเนี่ยเปรียกจะเหมือนเป็นเชือกนะเป็นเชือกที่คอยดึงนะดึงจิตมันกลับมาอยู่กับนี้อกับตั ว, ตวเหมือนเรานะผูกผูกเชือกกับหมานะเวลาพาไปเดินเล้นะเราก็จับเชือกไว้พอหมามันจะไปไกลแล้วก็กระตุกมันกลับมานะกระตุกเขากลับมาสติเนี่ย เดีหมือนเชื่อเป็นตัวดึงจิตกลับมาดึงจิตกลับมาจากความหลงนะหลงทางตาบ้าหลงทางหูบ้างหลงทางใจหูบ้างหลงทางยิ้มบ้างหลงทางกายบ้างหรือหลงทางจิตใจบ้างดึงมันกลับมาแต่ให้ดึงแบบกระตุกเบาๆสบายๆนะเนี่ยไม่ใช่ดึงแบบกระชากนะบางคนพอภาวนาไปเนาะเราไม่ชอบอารมณ์ บางทีเราโกรธมีความหงุดหงิดนะไม่ชอบตัวเองที่โกรธนะไม่ชอบตัวเองที่คิดฟุ้งซ่านไม่ชอบตัวเองที่คิดไม่ดีกับพ่อกับแม่กับเพื่อนนะมันมีความไม่ชอบเราก็พยายามที่จะกลับมาติดกลับมาติดนะถ้าหายก็ดีถ้าไม่หายก็โกรธตัวเองต่อเองนะก็ทุกข์ใจนะอันนี้คือความไม่ชอบพอไม่ชอบเราก็เลยพยายามที่จะนะ ดึงกระช่าจิตให้กลับมาแต่ยิ่งแต่หารู้มว่าอารมณ์นั้นนคือมันโมโหอีกต่อหนึ่งนะนั้นแค่กระตุกมันกลับมาเบาๆนะแบบไหนก็คือแช่นกลับมาพลิกมือเคื่อนไหวกลับมาดูลมหายใจเนยที่จริงตอนที่เรารู้ทันว่ามันโดดมันก็ัวนะแต่เราก็ดึงมันกลับมาเบาๆยกกายเคลื่อนไหยอะไรก็ได้ จิตมันจะกลับมาแบบเรียนเรียนนะจิตมันก็จะไม่โกรธอารมณ์เมื่อกี้ะมันก็กลับมาสบายสบายนะบางทีเราก็ต้องทําใจมันเหมือนให้อภัยบ้างนะจิตเน่ยจะให้มันสงบนิ่งเนี่ยไม่ได้หรอกครูพุธทธเจ้าตังเตียวว่าจิตเน่ยเหมือนกับลิงนะมันไม่อยู่นิ่งนะเนะหรือเตียวเหมือนกับเด็กก็ได้เด็กเล็กๆเนะี่ยเด็กที่ชดาเนี่ยเขาชอซุบซนบ้างธรรมดานะ นะแต่การพัฒนาการภาวนาเนี่ยค่อยค่อยฝึกไปคนก็ยังปลดลิงให้ใช้ประโยชน์ได้สแสดงละครได้เนี่ยมันก็ต้องมาใส่การฝึก น, นะหรือพวกเราหลายคนเป็นครูนะ้องก็เห็นนะเด็กตั้งแต่เล็กเล็เนี่ยจนถึงโตขึ้นมาก็ต้องมาใส่การฝึกฝนอบรมด้วยเรื่อยจนถึงโตเป็นผู้ใหญ่นะเขาก็ดูแลตัเองได้นะี่กาไม่ต้องมีใครบอกมากอันนี้คือถ้า เด็กที่ฝึกดีนะเจ้า ก, ก็จะกลายเป็นผู้ใหญ่ที่ที่ดีคุณภาพจิตก็เหมือนกันนั่นแหละจิตที่แล้วการฝึกฝนอบรมดีนะแรกๆ ก, ก็รื่บ้างนะยังไม่ฉลาดบ้างต่อมาก็าเรียนรู้ฝึกษาอบรมเรื่อยๆก็สามารถดูแลตัวเองได้แล้วก็ไปดูแลชื่อคน อ, อื่นต่อได้อีกนี่คือจิตนะมันจะพัฒนาแบบนี้นะ ค่อยๆพัฒนาแต่จิตที่ดื้อเหมือนดิ้งนี่แหละแต่มันจะพัฒนากลายเป็นดิ้งที่เชื่อมขึ้นกลายเป็นคนที่ที่มีความรับผิดชอบตัวเองได้มากขึ้นจิตเราต้เหมือนกันแต่ถ้าจิตมันไม่ฝึกนะมันทําร้ายตัวเรานะเอทําร้ายใช่ไหมทําร้ายให้เรานอนไม่หลับทําร้ายที่เราคิดแล้วก็น้ําตาตกเสียใจทําร้ายน่ะ ตัวเองไม่พอบางทีก็ไปทไําร้ายคนอื่นด้วยเนาะพอเราโกรธเราก็ไปเผอเผลอว่าเผลอตาอรือว่าเผลอไปทําร้ายคนอื่นเนะี่ยมันทําร้ายตัวเองอย่งไม่พอนะมันทําร้ายคนอื่นด้วยะจิตจิตที่ไม่ฝึกมันก็จะเป็ น, ปนแบบนี้เนาะแต่จิตที่ฝึกก็มันจะกลับมานะ แต่จิตที่ฝึกก็คือการที่มีสติคอยกลับมาเราไม่ได้ห้ามความคิดนะคิดก็คิดไปคิดก็กลับมาไม่คิดก็ไม่เป็นไรไม่คิดก็รู้ตัวกับกายที่เคลื่อนไหวอนั้นน่ะเรามาฝึกให้มีตัวรู้นะไม่ต้องไปไม่ต้องไปต้องบนไอ้ตัวคิดตัวหลงนะหลงก็เรื่อนรปมันแต่เราสร้างตัวรู้ขึ้นมาแทนนะ เพราเทียนแค่เปรียบเทียบเหมือนกับแมวกับหนูนะถ้าบ้านไหนมีมีหนูนะเราเขาเลีแค่เลี้ยงแมวนะเลี้ยงแมวไปแมวก็จะจับหนูไปเองนะถ้าแมวที่ดีนะแต่แมวที่ว่ามีแมวตัวหนึง น, นะแม่ครัวเลีะนะเ้ยงจนะนะอ้วนนะกินจนอิ่มแต่ไม่ยอมจับหนูเ<จระ>หาะมือเล่นเฉยๆ <š at> มันอิ่มเติมไปอิ่มก็โดน โดนคนขุนนะแต่แม่แรกแรกมันก็จับนะแรกแรกตอนที่คนไม่ขุนมากมันก็หนูในห้องครัวนก็ก็สงบไปเยอะแต่ตอนน้ำก็มันขี้เกียจนะมันไม่จับหนูนีมันก็หนูก็การเดินเพื่อนเล่นมันหยอกล้อกันนะแต่ถ้าแมวที่เป็นสติจริงๆเนี่ยมันไม่เป็นแบบนี้หรอกนะเมื่อมันมีความคิดขึ้นมาเนี่ยมันรู้ทันนะมันก็มันก็จับนะตะปบทันที มันก็หยุดความคิดทันทีแต่บางทีมันก็ไม่หยุดคำนั้นบางทีกําลังสติมันไม่พอเราก็รู้นะว่าเราโกรธเราก็รู้ว่าเราหงุดหงิดเราก็รู้ว่าเราอยากแต่ดูแล้วมันไม่มันไม่จบมันไม่หายเพราะเขาดับสติมันไม่พอนะหรือบางทีบางอย่างมันละเอียดมากเราไม่รู้นะมันก็ผ่านไปเราไม่รู้ตัวสติเราไม่พอก็ไม่เป็นไรนะ หน้าที่เราก็คือกลับมาสร้างสติขึ้นมาใหม่แทนนะสร้างสติขึ้นไปเรื่อยๆตัวไหนรู้ได้ก็รู้รู้แล้ดับก็ก็ดีรู้แล้วไม่ดับก็ไม่เป็นไรนะก็รู้ใหม่นะก็กลับมาสร้างตัวรู้ใหม่นยะทําแบบนี้ยเรื่อยๆเพียงแต่ว่าให้มีความขยันนะทำํำบ่อยๆอย่างเราสร้างการเคลื่นไหวนะตร้างนะว่างๆก็สร้างนะหรือบางที ไม่สร้างก็รู้ที่มันมีอยู่ในียบวตประจำวันก็ได้นะไม่จะเป็นเช่นไม่ใช่ว่าเราต้องยกมือตลอดนะก็ได้บางทีก็รู้สึกถึงการนั่งอยู่รู้สึกถึงการหายใจหรือรู้สึกถึงการฟังนะหรือรู้สึกถึงใจที่มันไหลไปก็ได้เหมือนกันนะการสร้างความรู้สึกตัวเนี่ยบางทีก็สร้างโดยยาบวนะ แต่บางทีก้าสร้างโดยการแค่มีตัวรู้คอยดูกลับมาดูตัวเราเองนั่ได้เหมือนกันหมดนะนะก็ดีกว่าบางทีสร้างการยกมือแต่ใจไปอยู่ที่ไหนไม่รู้นะแต่ถ้าสร้างการยกมือรู้สึกตัวกับการยกมือนะก็ดีนะหรือตอนไม่ยกมือเราก็รู้สึกตัวเนี่ยก็ดีเหมือนกันนะแต่ตรงเทวีทนนะ่านบอกว่าก็พยา ย, ยามจะอยู่นิ่งนะ เงทีถ้าอยู่นิ่งๆบทีมันจะเหม่อลอยมันจะหลงไปคิดนะหรือบางทีนิ่งมากกลาเป็นสมาธิเป็นสมาธะ น, นะก็สงบนะแล้วก็ไม่อยากออกจากสมาธิก็มีนั้นเราสร้างตัวรู้ขึ้นมาเนะี่ยปุูกตัวรู้นะที่จิงการเคลื่นไหวร่างกายเป็นการปุกตัวรู้นะให้เราไม่หลับนิ่งให้เราไม่เหม่อลอยนะ้งตรงนี้นไปได้มากน้อยขนาดไหนก็ไม่เป็นไรนะ อย่าไปกำหนดมากนะว่าเราจะต้องรู้ทุกครั้งว่าเราต้องรู้กี่เปอร์เซ็นต์นะไม่เป็นไรนะรู้เท่าที่มันรู้ได้นะทำแบบสบายๆทำแบบผ่อนคลายทำแบบอมยิ้มน้อยๆก็ได้นะบางทีพอเราปฏิบัติบางทีเราจะเหมือนเอาจริงเอาจังเนาะเราจะเครงเครียดนะเราจะตั้งใจเกินไปแต่จริงภาวนาเนี่ย ไม่ใช่ภาวนาเพื่อจะเอาอะไรนะภาวนาปฏิบัติธรรมเนี่ยเพือ่อเพื่อเพื่อละนะเพื่อละเพื่อปล่อยเพื่อวางนะสังเกตไหมเวลาเราเราได้ปล่อยอะไรเราได้ละเอะไรไปจิตใจมันมีความเบาความสบายมีความสุขภาวนาก็แบบนั้นนะพอเราปล่อยเอาราลดออกไปได้เนี่ยมันเบานะพอเราวาง ควาคิดไปได้เนี่ยมันเบามันสบายแบบนั้นนะแต่ถ้าเราภาวนาไปคิดที่จะเอาคิดที่อยากจะได้เนี่ยมันหนักนะอ่ามนันเคร่งเครียดมันตึงนะนั่นภาวนาอีกนะเพื่อจะรักนะเพื่อจะลดเพื่อจะเลิกนะไอ้ที่เห็นผิดไอ้ที่หลงแบกนะเราจะหลงแบกนั่นแบกนี่นะอ่านะิ่งที่แบกตัวใหญ่ น, นั่นแหะแบก นะอุปท า, านการยึดมัน่นถือมั่นในสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายทีนะยึดมั่นว่าเราเจ็บยึดมั่นว่าเราแก่ยึดมั่นว่าเรานะใกล้จะตายเนะี่ยนี่คือยึดมั่นในร่างกายหรือยึดมั่นในเวทนานะยึดมั่นในความสุขในความทุกข์นะวาเป็นตัวตนของเรายึดมั่นในสัญญานะ ที่จำได้หมายรู้นะมันสัญญาไม่ได้กิต น, นะแต่พอเราไปยึดมันก็เลยเป็นความทุกข์คนะิดมากในสังขารการคิดปรุงแต่งคิดแล้วก็ทุกขนะ์นะยิ่งปรุงมากก็ยิ่งทุกข์มากแต่ถ้าวางได้นะมันมันดีนะอืวนะิญญาณตารรับรู้นี่ก็เป็นธรรมชาตินะเห็นเนี่ยก็คือวิญญาณทางตาได้ยินก็วิญญาณทางหู คิดได้ก็เป็นวิญญาณทางใจนะอันนี้เป็นธรรมชาตินะธรรมชาติที่มันมีอยู่แล้วแต่การยึดมันคล้ายๆเหมือนมือสมมติมือจะมาเนตอนนี้ถือไม้อยู่นะมายึดไม้นี่เดี๋ยวนะมือข้างนี้ก็จับอะไรไม่ได้เคยไหมบางทีเราโกรธเราก็ยึดความโกรธไว้นะเนี่ยจิตเรายึดไว้จับไปแน่นหละคนบอกให้วางความโกรธอ่าก็วางไม่ได้มันยังคิดอยู่ หรืบางทีเราก็บางเราก็ยึดเหตุผลของเราเนาะเราก็เหตุผลของเราถูกแต่ว่าเราดีก็นะคือการ ย, ยึดนะยึดยึดมั่นไว้เหมือนมือเรามันมันยึดแน่นไวเด็กจริงการปฏิบัติธรรมนะมันคือให้รู้จักให้รู้จักถือให้รู้จักวางนะไม่ใช่ว่าเราไม่มีเวทนาสัญญาต่างๆนิยญญา ณ, ญญา ณ, ญญาณไม่ใช่ว่าเราไม่มีเหตุผล ไ ม, ไม่ใช่ว่าเราไม่มีความคิดแต่เรารู้จักใช้นะเหมือนมือเราถ้าเราวางตอนนี้เราถือไมไว้เขาเพิ่อใช้ไม่แต่พอเราต้องการจะทานน้ำเราก็ต้องวางไม้ไปหยิบแก้วน้ำนะมือที่ว่างป่าก็เหมือนใจที่รู้จักวางนะเออตอนนี้เราก็คิดเรื่องงานลราก็ตั้งใจใช้ความคิดแต่พอเรากินข้าวมันเหมือนบางที จิตเราก็ยังอยู่ากับการงานอยู่นี่สือเราไม่วางนะพอเราเป็นกินข้าวเราก็ต้องวางเนระื่องความคิดมาอยู่ากับกายที่เคลื่อนไหวแทนนะการที่เรารู้ทันอุปทานการยึด ม, มัน่นถึงมันก็คือนะการที่เราวางอารมณ์ต่างๆได้นะไม่ใช่ไม่มีอารมณ์นะมีแต่เราใช้มันให้เป็นนะใช้กายใช้เวท น, นาใช้จิตใช้ธรรมให้มันถูกต้องอันนั้นคือการที่เรา ไม่มีอุปทานในขันทั้งห้านะการมีสติจะทําให้เรารู้ทันอารมณ์พวกนีน้แล้วทําให้เราวางมันได้ใช้มันเป็นนะหรือจะปล่อยหรือจกวางตรงนี้แหละเนี่ยคืเราจะเราจะเข้าถึงความสงบนะของของจิตใจเราด้วยจากการที่เราวางความเห็นผิดวางการยึดมั่นถือมั่นนะวางอุปทานตัวตน วางทิศทิวางมานะยิ่งวางมากยิ่งเบามากน ะ, นะทานก็คือสารสละนี่แหละนะสละเริ่มแรกก็จากสิ่งของต่อมาก็สละแรงตายต่อไปก็สละเอาวิญญาณมากไปเรื่อยๆก็สละความเห็นผิดในจิตใจนี่แหละสละความโกรธก็เป็นําอิจฉาสละความโลภสละความหลงเนี่ย มันก็เป็นทานที่มันมากขึ้นเรื่อยๆเอาไปจากจิตใจของเรานี่เราจะทำบุญทาทานมันจะมีตรงนี้แหละจิตใจเราก็เป็นบุญนะบุญส้นใจที่มันสูงนะใจที่มันสูงขึ้ น, นเรื่อยๆครอบภูมิไม่รู้นะอาจจะครบภูมิเรารู้จักตัดน้ำรบด้จักเปรตด้วยจากสูตร่างกายดรวยจักเทวดารู้จัจกพนะรมแต่จ ร, จ, จริงครบภูมนี้นะ เราเป็นมนุษย์ตัวเนี้ยมันก็มีภพภูมิเมื่อนั้นนะในใจของเรานะมีไหมบางทีเราก็เป็นภูมินะเรียกว่าตกนรกนะหรือ บ, บางทีเราก็เหม่อลอยหรือบางทีก็ใช้ชีวิตตามสัญชาตญาณก็ไม่ค่อยต่างจากสัตว์เดรัจฉานนะสัตว์ดเดรัจฉานใช้ชีวิตตามสัญชาตญาณปกติธรรมดาหรือบางทีเราก็เป็นเหมือนอสูรกายเนาะเจ้า ค, ความคิด ชอบคิดชอบวิเคราะห์ชอบวิจารนะเราก็มียอมปล่อยไม่ยอมวางนะเป็นทิฏฐินะเป็นเจ้าความเห็นนะนี่ก็เป็นอสุจิตกายในหน้ามนมุษย์นะหรือคนพัฒนาขึ้นก็เป็นเทวดาเป็นนางฟ้านะใจดีนะนะใจดีใจงามขึ้นบางคนก็มีบุเบกขามีเมตตาเป็นพรหมิหารใจเป็นพรหมนะเนะนี่คือ เราก็ там, là, มีนะบางทีเรามีหมดนั่นแหละนะมีกันทุกคนนะมีการหมดทุกพทุกภูมิในจิตใจของเราด้วยนะแต่แล้วแต่ว่าเราจะเลือกฝึกนะเลือกเปล่าถ้าเราฝึกนะภูมิที่มันต่ามันก็จะลดละเลิมลงไปได้นะภูมิที่สูงก็จะมีติดนะมีนะมีใจตีมีใจเย็นมีใจสงบแต่ก็ ไม่ติดเหมือนกันนะเพราะว่าพระเจ้าท่านสอนให้เราผลจากวัฏฏะสงสารพวกนี้นะแม้ พ, พ่อปูมิจะสูง พ, พ่อภูมจะต่ำมันก็ยังทําให้เราติดในวัฏฏะสงสารอยู่ยังเปียนไหวใจเกิดอยู่แต่ทํายังไงเราถึงจะออกจากวัฏฏะสงสารได้อย่างแท้จริงเลยคนระับเน่ยเห็นว่ามันเป็นอะไรแล้วก็ไม่ไปติดกับมันนะเพราะเมื่อไหร่นะเราอยู่กับโลก มันก็ย่อมมีความทุกข์นะมันเจือปนอยู่เป็นธรรมดาแต่ถ้าเราภาวนาะจนพ้นโลกเนะี่ยมันถึงจะปนจากความทุกข์ได้อย่างแท้จริงเนานะอันเนี้ยก็ให้เราได้ลองตั้งใจเรียนรู้ดูนะ พ, นน พ, นพ้นจากความทุกข์นะที่เราอยู่กับโลกตรงนี้แหละนะอาจจะไม่ต้องรอก็เราต้องเป็นพระหันไม่ต้องรอเราเข้าถึงนิพพานนะแต่ลอง ในการกลับมานะจากความคิดจากความหลงทีละขณะให้เราพ้นทีละขณนะนให้เราออกจากความคิดออกจากความหงทีละขณะในการพยายามสร้างตัวรู้ขึ้นมานะี่แหละมันจะพ้นไปทีละก้าวพ้นไปทีละขณะทีละขณนะสาคัญที่สุดนะสนะาคัญกว่าการที่เราไปคิดอยากจะพ้นทุกนะแล้วก็ไม่ทํานำะ เหมือนเราภาวนาเน่นเราต้องทำนะกลับมาไม่ต้องรู้อะไรมากนะไม่ต้องใช้ความคิดอะไรนะทำแบบซื่อที่สุดนะทำแบบรู้เล่นๆไม่ต้องใช้ความคิดวางความคิดอยากนะแค่กลับมารู้ตนะัวเฉยๆสงสัยอะไรก็แด้วแต่เออก็แค่รู้ว่าสงสัยเ้วก็กลับมารู้ตัวพอเรารู้ตัวไปเรื่อยๆ มันก็จะรู้เองว่าไอ้ที่สงสัยมันหอกเราหอกให้เราคิดนะหรืองทีมีความคิดดีๆก็อยากอีกคิดน ะ, ะแกมาหลอกเราคิดไปแล้วเนาะล้วก็กลับมาดูตัวใหม่หรือคิดแล้วโกรธคนอื่นหรือโกรธตัวเราเองก็ดีอ่ะก็คิดเหมือนกันเนาะเนี่ยคิดมาถึงทุกข์ถ้าไม่คิดนะมันก็คือสิ้นทุกข์แต่ถ้าจะ คิดก็ต้องใช้แบบตั้งใจคิดในการงานนะแต่ถ้ามันเผลอให้จิตมันคิดของมันเองเนี่ยคือเรียกว่ามันลักคิดนะมันแอบขโมยนะเราไม่ได้อนะะุญาตแต่มันเผลอไปคิดในต้นะนั้นพยายามกลับมาอยู่ตรบเนื้อกับตัวไปบ่อยนะเราทําแบบนี้ลองดูนะสองสาวันที่เราจะอยู่ร่วมกันลองทําดูนะแล้เราจะได้ประสบการณ์ แต่า ก, การทำของเราเองนีง่แหละนะประสบการณ์จากการได้ฟังหรือประสบการณ์จา่การได้ถามเนี่ยมันมันยังไม่ตึงถึงจิตใจเราจริงหรอกแต่ถ้าเราได้ทำแล้วเราประจักษ์ในใจของเราเองนี่แหละอันะั้มันจะมันจะดึกซึ้งกว่านะมันจะเป็นประสบการณ์ตรงของเราเองแล้วเราจะมั่นใจในการภาวนาด้วยตัวของเราเองนะไม่ต้องให้ใครรับรองก็ได้ แต่เราจะทดลองได้ว่าเรารู้หรือว่าเราหลงนะเราจะเชื่อนะเชื่อการกระทําเชื่อติ่ที่เราทำนี่แหละทํานะทดีก็ย่อมได้ดีทําชั่วก็ได้ชั่วทํานีก็ยอมมีความสุขทําชั่วก็ย่อมมีความทุกข์นะเพราะเราจะประจักษ์ในใจของเราเนี่ยแหละมันเกิดทันทีในตอนนี้เนาะก็ก็ปลาลกธรรมเนาะในภาคเช้าเออในภาคในภาค ข้ามในวันแรกแต่ดูหลายท่านก็คงภาวนาเป็นอยู่แล้วมีใครยังไม่เคยฝึกปฏิบัติบ้างมีไหมอีกคนอืมน้อยนะถือว่าส่วนใหญ่เคยปฏิบัติกันมาแล้วก็เดี๋ยวข้ามนี้ก็คงเดี๋ยวก็คนเก่าก็ปฏิบัติไปก่อนนะ คนคนใหม่ก็เดี๋ยวาอยาะจารย์ตุ้มนะจะสอนวิธีปฏิบัติไปด้วยเนาะคนเก่าเราก็ถือว่าจะนั่งจะนั่งยกมือที่ตรงนี้ก็ได้เนาะหรือว่าใครใหญ่ใหญ่บีเดินจงกลมข้างนอกก็ได้เนาะอนี่ยจะนั่งยกมือข้างนอกก็ได้นักหาที่กกะระบบของเราปฏิบัติประมาณสัก สองทุ่มนะอีกชั่วโมงหนึ่งก็ค่อยกลับมารือใครคนเก่าอยากจะอยู่ภาวนาในห้องนี้ก็ได้นะนะนมีนแจกตุ้ง